เพราะว่าอุทรรมภักยาสังโยชนั้นพระอนาคามีจึงจักละได้ส่วนอุทรรมภักยาสังโยชน์น เ, เนี่ยนะสามข้อเนี่ยนะข้อแรกสกายทิฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตะปรามาสโสดาบันละได้ส่วนการมราคะกับปฏิฆะนั้นแบ่งเป็นถ้าอย่างหยาบพระสกะทาคามีละได้ถ้าอย่างละเอียดก็พระอนาคามีจึงจัละได้ ส่วนที่เหลือเนี่ยนะสังโยชน์เบื้องสูงหรืออย่างที่เหลือก็คือพระอรหันต์จึงกะละได้อันนี้กล่าวโดยการละไหม เพนันจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องทิฏฐิตามตามนีนะตามสังโยชนิยนี เน้นสองคำนะจากโซกับรูปคำว่ารูปนี้มีมีกี่สมุดฐานเอ า, ว, าว่าโดยสมุดฐานก่อนนะรูปมีสี่สมุดฐานจากโซนี้มีสมุดฐานเดียวคือมีกรรมไง ม, มีกรรมเป็นสมุดฐาน ถ้าแยกแยะตามอภิธรรมัทสังกะหะแล้วตัวจักสุถ้าเป็นจักสุจะต้องเกิดร่วมกับจักสุทัศกะใช่ไหมเพฉะนั้นต้องมี10บรูปเจักสุทัศกะคือมีจักสุเป็นที่10เนี่ยนะหรือกลุ่มรูปที่มีจักสุเช่นมหาภูตรูป4 ส, สีกลิ่นรสโอชา ชีวิตแล้วก็จักสุก็เป็นสิบรูปเรียกว่าจักสุทัศก a g r าบส่วนรูปนั้นเกิดจากสมุธฐานสี่เพราะเรายังกำหนดไม่ได้ว่ารูปที่พูดถึงเนี่ยรูปอะไรโอ้เครื่องมันแรงมากจักรสุภาษาธาตุนะมีสิบรูป ถ้าจากรสูภาษาถ้ถ้าใช้ศัพท์เดียวนะคือคือจักสูอันเดียวแต่ถ้าอย่างนี้เรียกว่าจักรสูจักขุทสกะกลาบนะนะจะไม่ใช้จักรสูใช้จักขุแหละจักรขุทสกะกลาบหรือจักรขุภาษาถะแต่ถ้าทั้งลูกตาเลยนะนะเรียกว่าสะสัมภาระจักสุก็มีรูปอยู่54รูปคือที่เป็นกายทสกะอีกสิบ ภาวะอีก10เนี่ยนะจิตตะอวินิพภครูปอีก8อูนนอุตุอวินิพภครูปอีก8อาหารอีก8ก็เลยเป็นมีรูปทั้งหมด54แต่ถ้าใช้คำว่าพึงรู้ชัดจากสุไม้เอาจากขู่าจากสุระสาธาอย่างเดียว53เท่ากับไม่พูดเอาตัวเดียวนะชี้ชัดว่าสมมติเราโคก คนประชุมกันตั้งห้าสิบสี่คนบอกขอคนเดียวเนะเอาคน น, นะานั้นน่ะเอางั้นเถอะทีนี้ส่วนสั์ว่าสีสีที่สีถ้าแบ่งเป็นสมุตฐานนะเอาอุตุเป็นสมุทฐานสีภายนอกที่ไม่เนื่องด้วยชีวิตสีไหนก็ตามถ้าไม่เนื่องด้วยชีวิตมีแปรูปเท่านั้น เนี่ยนะคือมีแดรูปสีทั่วๆไปนะมีแดรูปเช่นโตะต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายมีบางครั้งที่สีบวกร่วมกับเสียงคือในตัวสีด้วยมีเสียงด้วยเช่นเสียงเนี่ยนะในในในทัศในกราบของเสียงเนี่ยมีมีสีอยู่ด้วยไหม อ้าวก็มีอยู่แล้วถ้าขนาดนั้นนะเรียกว่าสัทธานวากาเนี่ยสัทธานวากานี่จะบวกเสียงขึ้นมาอีกหนึ่งนะส่วนที่เป็นเสียงแต่ถ้าเป็นส่วนทั่วๆไปต้นไม้ใบหญ้าภูเขาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทั้งหลายหละเนี่ยภาษาทางธรรมะเนี่ยอันนี้พูดตามภาษาอภิธรรมมสังกะหะ น, นเถอะจะมีรูปแค่แปดรูปเท่านั้นเองเนะ จะเป็นรถยนต์จะเป็นเครื่องบินจะเป็นรถขนขยะหรือจะเป็นดีประสาทราชวางังจนถึงกระท่อมของยาจกมีรูปอยู่แปดรูปคื อ, อวินิโพค ร, รูปแปดถ้าเมื่อไรเอาวินิโพค ร, รูปเหล่านี้สะเทือนกันมีเสียงขึ้นมาตอนนั้นก็บวกกับเสียงอีกหนึ่งเป็นเป็นเกรูปเนี่ยนะแต่รูปเหล่านั้นก็มีสมุทฐานเดียวคืออุตุนี้อุตุเหล่านั้นก็มาจากปัจจัยอื่นๆอีกเนี่ยนะเช่นมีจิตเป็นปัจจัยมีกรรมเป็นปัจจัยเนี่ยนะเรียกว่า กรรมปัจจยะอุตุหรือเราพูดมันได้พูดเพิ่มนะมาพูดรวมมันร้องได้อ่าก็ใช่ต้มน้ำต้มน้ำต้มน้ำเนี่ยหรือพวกเครื่องเสียงทั้งหลายเลยเนี่ยนะพวกไฟเนี่ยมันจะมีเสียงนะถ้าอยู่เงียบๆเนี่ยหลอดนีออนมันจะได้ยินเสียงถูกเหมือนกันอันพวกนี้มันจะมีหมหาพูดถ้ากระทบกันเมื่อไหร่ก็จะมี มีเสียงขึ้นถ้าไม่กระทบกันก็ไม่มีไม่มีเสียงในทางธรรมะนั้นถือว่ารูปภายนอกไม่ได้เป็นที่ที่ซับซ้อนอะไรมากเพราะอย่าลืมว่าวิชานี้ไม่ได้เป็นวิชาเพื่อจะไปประกอบอาชีพบางงันเถอะไม่ใช่วิชาที่จะไปประกอบอาชีพพ้นจบวิชานี้ไปสมัครงานที่ไหนเขาไม่รับ啊 คือคือไม่รับตามวิชาที่เรียนมานะแต่รับเพราะขาดคนงาน ท, ทั่วไปอาจเป็นได้แต่พูดถึงตรงๆแล้วไม่รับเนี่ยนะเพราะในแง่รูปเมื่อไม่ได้เรียนไปเพื่อประกอบอาชีพไม่ได้เป็นอื่นเนี่ยนะเป็นวิชาที่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจากสิ่งเหล่านี้เป็นวิชาสำน ว, นวนว่าหันหลังกลับนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นวิชาตามกระแสโลกแต่เป็นวิชาที่หันหลังกลับจากกระแสโลกขันจะไม่ให้ความสำคัญอะไร มากมายนะักถ้ามันวิจิต ป, ประณีตมากก็บอกว่านั่นะเป็นวัตถุ ก, กามกามทั้งหลายเหมือนร่างกระดูกเนี่ยนะก็เอาไปเจริญพวกนั้นให้มากแล้วบอกว่าวัตถุทั้งหลายมีใครกินอิ่มรอกเนี่ยนะเพราะมันเหมือนกระร่างกระดูกแทะไปเถอะนั่งแทะทั้งวันก็ไม่อิ่มเหมือนกันปังก็จะอธิบายในลักษณะนั้นเข้าไปเพราะอะไรเพราะจะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นต้นส่วนที่จะให้ความสําคัญมากคือรูปที่มีชีวิตในรูปที่มีชีวิต ทีนี้ในบรรดาสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยนะก็ที่มันชัดเลยะนะเบื้องต้นถ้าเกี่ยวข้องกับใครเนี่ยมีอะไรบ้างผมขนเล็บฟันหนังมีอยู่ห้าอย่างะนะถ้าจะสื่อเกี่ยวข้องกันเมื่อไหร่นะสื่อกันด้วยวัตถุห้าประการเนี่ยไม่มีใครเอาเนื้อมาโชว์นะถ้าไม่เป็นแผลนีแต่ก็มีนะเนื้อเนื้ อ, น, อนี่เขาริมฟีปากเขานับว่าเนื้อ พวกพวกริมฟีปากเนี่ยนับว่าเนื้อฟันนี่เขานับว่ากระดูกเนี่ยนะแต่ก็คือในในส่วนดะผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยก็มีอยู่เท่านี้นี่ในผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยอันเนี้ยต้องรู้ชัดถ้าเป็นผมมีกี่รูปนะแยกโดยชนิดไปเลยก็สี่สี่รูปนะผมขนเล็บฟันหนังอะ่ะทั้งหมดมีสีสิบสี่รูปเหมือนกันหมดสี่สิบสี่รูปประกอบไปด้วย กายทัศกะสิบภาวะทัศกะอีกสินี่ยก็มีน ะ, ะบางคนไม่มีภาวะทัศกะพวกนับปุงสกลิงระวังกังกนพวกไม่มีรูปเลยเไม่มีภาวะรูปก็มีหรือพวกที่มีภาวะรูปแบบข้างขึ้นข้างแรมก็มีเนี่ยนะ แต่ในสมัยนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ปรากฏนะนะแต่ว่าเมื่อก่อนไม่มีสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเพราะในวินัยบัญญัติไว้ถ้าผู้ชายเป็นผู้หญิงเนี่ยสมมติว่าบวชเป็นพระภิกษุบาปอากุศลมาเกิดเกี่ยวข้องยังไงไม่ทราบอยู่เป็นผู้หญิงเฉยอยังงเนี่ยมาเอามาอยู่สำนักภิกษุณีไปนะนะซาเป็นอยู่ๆแล้วภิกษุณีเนี่ยแปลงเพศเป็นผู้ชายได้อา้าก็มาอยู่กับฝ่ายพระภิกษุไปถ้าเป็นแล้วกลับอีกไปอยู่ฝ่ายโน้นอีกอย่างเนี่ยนะ แต่ว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ยกตัวอย่างแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้สมัยพุทธกาลมีสมัยสมัยหลังไม่ปรากฏหรือบางคนเนี่ยมีกิเลสแรงกล้าไปเห็นผ้าหันเข้านึกชอบอู้เราเพิ่งได้เมียงามเช่นนี้หนอหรือว่าเมียเราก็พึงงามเช่นนี้คิดอย่างนี้เป็นผู้หญิงไปเลยอย่างไงนะพระโสระยะนะ ก, ก็ก็มีอยู่แบบนี้กลุ่มกลุ่มที่มีทั้งสองเพศก็มีทั้งหญิงทั้งชายในตัวเดียวกันนะนะ แต่อาจจะเป็นสลับกันเป็นช่งชวงๆมีแต่ว่าโดยรวมๆก็จะมีคนละคนละเพศนะเ อ, เอาแบบปกตินะอย่าไปเอาอะไรที่มันซับซ้อนมากไอ้ปกติมาคิดให้เยอะๆดีกว่าแล้วก็จิตตะจิตตะชรูปอีกแปดแต่ก็มีบางครั้งที่เกี่ยวข้องกับมีวินยติรูปด้วยใช่ไหมสีเช่นสีหน้าเป็นต้นเนี่ยมีวินยติรูปด้วยไหมบางขณะคือมีกายวิญยตเข้ามาด้วย คือขณะใดาที่มีการขยับหน้านะทำเช่นทำหน้าผากให้มันย่นขึ้นอ่ ะ, อะกลุ่มนั้นอ่ะมีกายวิญยัตเข้ามาทีนี้กายวินยัตอันนั้นอ่ะจะอ่อนหรือจะไม่อ่อนก็พวกเลหุตารูปเป็นต้นแต่ว่าแบบไม่ต้องซับซ้อนมากก็มีแปดละก่อนแล้วอาหารอาหารเชรูปอีก8ดอุตุเชรูอีก8ปดเ่็นไหม ว่าโดยรวมๆธรรมดาก็มีอยู่44รูปนนะคือกายทัศกะ10ภาวะทัศกะสิจิตตะชรูปอ่าจิตตะโอชาตธรรมกะรูปนี้ก็ได้จิตตะชรูปมีแดอาหารชรูปมีแดอุตูชรูปมีแดรวมเบ็ดเสร็จแล้วมี44รูปถ้าอย่างนี้หมายถึงผมเส้นผมที่อยู่ข้างใน ข้างในหนังศีรษะนะไม่ใช่ทีพ่พ้นออกมานอกถ้าพ้นออกมานอกนั้นจะไม่ใช่จะไม่มีรูปขนาดนี้ละมีแค่แปรูปเองสมมตินี่มันเป็นในส่วนของรากผมมันมันจะมีรูปอยู่เท่านี้ในส่วนที่มันพ้นออกมารากผมมันก็เป็น เส้นออกม า, าพวกนี้จะเป็นอุตุชรูปอย่างเดียวเนี่ยนะแต่อย่างงี้เขาเรียกว่ากรรมมะปัจจญยะอุตุจะมีชื่อของเขาตามนี่มาจะได้ชื่อตามนี้หมดเลยแต่ว่าเป็นอุตูชรูปแต่นะที่ที่นอกศีรษพ้นมามาม า, มานอกนอกหนังศีรษะแล้วนะเรียกว่าอุตุชรูปอย่างเดียวแต่อุตูชรูปอันนั้นทาไมมันแปดรูปแต่ทำไมมันไม่เหมือนกัน จะเหมือนกันได้ยังไงเพราะมาจากกายทัศกะที่แตกต่างกันมาจากภาวทัศกาที่แตกต่างกันมาจากจิตตชื้อรที่แตกต่างกันเนี่ยมาจากอาหารชื้อรคที่แตกต่างกันมาจากอุตุเชื้อรคที่แตกต่างกันเลยมีชื่อมีชื่อตามภาษาเทคนิคนิดหนึ่งว่าถ้ากลุ่มกายทัศกะลกับภาวะทัศกะเรียกว่ากรรมมชื้อ กรรมชรูปที่เป็นปัจจัยแก่อุตุชรูปอย่างนี้มีชื่อว่ากรรมมะปัจจะยะอุตุชรูปนี่นะกรรมมะปัจจะยอุตุชรูปถ้าจิตตชรูปเป็นปัจจัยแก่อุตุชรูปอย่างนี้เรียกว่าจิตตปัจจะยอุตุชรูปถ้าอาหารเป็นปัจจัยอย่างนี้เรียกว่าอาหารปัจจะยะอุตุชรูปถ้าอุตุชรูปเป็นปัจจัยมาอย่างนี้ก็เรียกว่าอุตุปัจจะยะอุตุชรูปเพราะฉะนั้นก็ในเส้นผมที่ดูข้างนอกเนี่ยนะ ที่มองเห็นกันเนี่ยมีอยู่แค่แปดรูปแต่แปดรูปมาจากปัจจัยเหล่านี้อ่านี่ในในความเป็นจริงถ้าแยกตามปรมาที่จะเป็นลักษณะนี้ ในการกล่าวตามประมัินั้นะ่ะเมื่อมีความเข้าใจายอย่างนี้ถ้าแยกตามคำเพียรพิธรรมนี่เขาจะเอามาติกามาจับนะถ้าถ้าใครจะคิดแบบโอปฏิสัมพิธาชั้นสูงเลยนะแบบที่เรียกว่าพวกที่เรียนอภิธรรมมากๆบอกเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิสัมพิทาหวนถ้ามีความรู้พื้นฐานอันนี้ดีเอาติกะมาติกายี่สิบสองมาจับทุกกะมาติกาหนึ่งร้อยมาจับเนี่ยนะแล้วก็เอา คำประการต่างๆในเจ็ดประกรเ น, นี่ยมาจับเห็นไหมถามว่าเอามาติกามาจับนี่มาจับยังไง mm hmm. เช่นว่าที่เรียกว่าผมเนี่ยทั้งหมดเนี่ย mm hmm. ที่กล่าวไปเป็นกุศลหรืออกุศลหรืออัพยากตะนะถ้ากล่าวว่าทั้งหมดนี้เป็นอัพยากตะอย่างเดียวกล่าวไม่ได้ว่าเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นต้นเนี่ยเขาจะมีการพูดบางอย่างเป็นสานิจ บางอย่างเป็นอุปาทินะบางอย่างเป็นอนุปาทินะอะไรก็จะแสดงไปตามหลักของมาธิกาเพื่อที่จะได้มองอสิ่งเหล่านี้ในแง่มุมต่างๆเนี่ยนะจะได้มองในแง่มุมต่างๆขึ้นถ้าเอาแบบทุกกะมัธิกามาจับก็ย่อมากคือเป็นนามหรือเป็นรูปนะง่ายไหมช อ, นะชอบมากถนัดคุ้นเคยมากนะคือเป็นนามกับเป็นรูปเราจะรู้อันเนี้ยถนัดมาก เพราะว่าจะปฏิบัติให้มันรู้นามรู้รูปใช่ไหมฟังก็บอกเออเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปทั้งนั้นแหละมันไม่รู้อารมณ์รูปเป็นอนารมณนะเป็นอจิตตะเป็นอเจตสิกะอย่างเงี้ยนก็ว่าไปอันนี้เป็นนะเหตุใช่ไหมก็มันไม่ใช่เหตุหอะ่ะก็เลยรูปกลุ่มนี้เป็นน่ะเหตุูธรรมมาอย่างเงี้ยนะทีนี้นถ้าตามตะกอนเจดก็ว่าไปตามนั้นเช่นวิพังเนี่ยนะเอาวิพังสิบปมาจับ มีขันทวีพังเป็นต้นทั้งหมดนี้ผมเป็นขันอะไรเป็นรูปขันเป็นอายตนะคืออะไรก็มาแยกตามรูปนั้นๆไปเพราะในตัวผมเองเนี่ยนะส่วนที่เป็นสีเป็นรูปายตนะตัวผมนะสีของผมเป็นรูปายตนะถ้าผมเนี่ยเสยผมมีเสียงไหมถ้ามีมีถ้าถ้ามันกระทบกันเมื่อไหร่มันก็เป็นสัทธทายตนะตัวผมมีกลิ่นอยู่ด้วยเป็นมีคันทายตนะ ในผมก็มีรสอยู่เป็นรส า, ายาตนะจับต้องเนี่ยนะมันจะรั บ, รบกระทบได้เป็นโพธพายญาตนะในส่วนที่มีกายอยู่ในนั้นด้วยนั้นเป็นกายญายตนะเพราะฉะนั้นก็จําแนกเป็นอายตนะได้กี่อายตนะก็ว่าไปตามนั้นไปจําแนกโดยความเป็นธาตุในนี้ได้กี่ธาตุกติหิขันเทหิกติหิอะไรแม่ครูไปหไหนแลมาแม่ครู กติหิขันเทหิกตีหิอายตเนหิกตีหิทาตุหิอนะก็นั่นแหละเอาไปลองไปไล่ดูนะเพราะว่ามันได้อะไรบ้างทุการนัดแกสอบมานานละจะถามมัเลยเดี๋ยวจะเสียก็ตอนนี้นะกไม่ได้นึกถึงก็มีห้องเรียนน้องมานึกขำเลยมีนักเรียนเขาจบมัชิมะเอกอาจารย์เ็าถามอวินิโพกรูปคืออะไร มันมีกี่รูปตอบไม่ได้ออกมาจะเสียมากกว่านั้นวิชาที่เรียนตามพระสูตรอัตกฐานั้นถือว่าความรู้ในชั้นพื้นฐานเหล่านั้นต้องต้องต้องดีพอสมควรถ้าไม่ดีนะมาคิดเรื่องนี้เขาบอกว่าแค่อ่านนี่ก็ก็ไม่สมมานัดตั้งกแรกแล้ว ความรู้อันนี้ที่จำเป็นมากที่จะละทิฐิได้เ น, นเพราะฉะนั้นถ้ามิจฉาทิฐิในโลกจะเกิดเกิดเพราะอะไรท่านบอกว่าข้อหนึ่งอสุตวาคือไม่ได้ฟั ง, ง น, นข้อสองไม่ได้เห็นข้อสามไม่ฉลาดข้อสี่ ไม่มีวินัยของพระอริยะเหข้อแรกนะไม่ได้ฟังธรรมะของพระอริยะข้อสองไม่ได้เห็นพระอริยะข้อสามไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะข้อสี่ไม่มีวินัยสิบประการของพระอริยะ อ, อ, อันนี้หมายถึงใครปุถุชนที่ สับเนี่ยผู้ถูกแปลว่าหนาชนะก็คือพวกที่ยังเกิดอีกนานเ่นะแต่ก็ชอบอยู่สับหนึ่งที่เรียกว่าเงินหน้าดูหน้ า, าศาสดาบ่อยๆเนี่ยคือคนกลุ่มนี้นะเ่นะเออทีนี้ว่าย้อนอีกครั้งหนึ่งนะว่าผู้ที่ไม่ได้ฟังธรรมะของพระอริยะ คือไม่ได้เรียนแบบนี้แยกแยะอะไรเลยเนี่ยนะในชั้นแรกก่อนนะคือไม่ได้ฟังมาเลยว่าเช่นในผมประกอบไปด้วยรูปกี่รูปทีนี้ไม่ได้ฟังมาเลยว่าผมเนี่ยเป็นปริญเยยธรรมหรือผมเนี่ยเป็นปหาตัปธรรมผมเป็นสัชิกาตปรธรรมผมไม่เป็นอะไรอีกอผมไม่ใช่พาเวตัปรธรรมแน่นอนผมเป็นได้คืออภินเยยธรรมปริญเยยธรรมและปหาตัปรธรรมเป็นได้สามอย่าง เป็นได้สามอย่างถามว่าผมนี่ต้องละไหมต้องละแต่หมายถึงละฉันธราคะในผมนะแต่พระนี่ต้องโกนใช่ไหมถ้าเกินสองเดือนเป็นอบัติราะนั้น <c oughs> เขาไม่ได้ฟังมาเลยว่าในเนี้ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างว่าควรกาหนดรู้ยังไงถ้าไม่รอบรู้แล้วเสียหายยังไงต้องละยังไงอะไรยังไงไม่ฟังมาเลยซากอย่างเลยนะ ก็เรียกว่าสมนวนว่าข้อมูลทางนี้บริสุทธิ์หมดเลยแับนั้นอันนี้ข้อแรกเรียกว่าไม่ได้ฟังข้อที่สองไม่ได้เห็นพระอริยะเนี่ยคือไม่ได้ตามเห็นผมนะเห็นพระอริยะหมายถึงว่าเห็นธรรมะที่จะทำให้เป็นพระอริยะนะคือไม่ได้เห็นผมโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอสุภะเลยหรือพูดอีกนายหนึ่งก็บอกไม่เห็นโตทั้งหลายอยู่ในนั้นเลยอะไรบ้างจารยสอน ไม่เห็นผมโดยอนิจโจทุขคโตโรคโตอนัตตะโตสาโตพวกเนี้ไม่มีโตเหล่านั้นไปใคร่ครวนเลยอ่ะพวกนี้แหละเรียกว่าถือว่าไม่ได้เห็นพระอริยะเพราะผู้ที่เป็นภาะริยะท่านเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะคือเข้าไปเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกซ้อนเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้ไงแต่ของเราเห็นยังไงสวยผมบางผมยังไงบ้างผมแตกปลาย ก, ก็แล้วแต่จะคิดว่าเนี่ยผู้ที่ไม่ได้เห็นธรรมะของพระอริยะที่ไม่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะวิจารณ์นะผมยาวมากผมงามผมสลวยผมดกผมอะไรก็ว่าไปก็ว่าภาษาเราเรานั่นแหละคือนั่นแหละเป็นลักษณะของอะโยนิโสมหมดเลยส่วนต่อไปคือไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะเนี่ยฉลาดตัวนี้คือไม่ฉลาดในสติปัฏฐานเป็นต้นว่าเมื่อผมอย่างเนี้ยจะต้องเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานนะ คือตามเห็นโดยความผมเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยการเกิดขึ้นไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาก็ไม่เจริญแบบนี้เลยนะเพื่อที่จะละนิจจาวิปปาราสเพื่อที่จะละสุขทุขสุขาวิปปาราขขสราเพื่อที่จะละอตัตตาวิปปาราสเพื่อจะละสุภาพวิปปาราสก็ไม่ได้เจริญอย่างนี้เลยเขาเรียกว่าไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะและไม่มีวินัยสิประการ ก็วินยัย10ประการก็วินัยนี่แบ่งเป็น2ก็ได้2แล้วขยายเป็นอย่างละ5คือสังวรวินยัย5กับปหาณวินัยอีกสังวรวินยัย5ก็คือเนี่ยเกี่ยวข้องกับผมไม่มีศีลเลยปุถุชนทั่ ว, วไปปาติโมกขสังวรเนี่ยนะคือทางกายเขาบอกว่าผู้ที่มีปาฏิโมกขสังวรศีลเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมเนี่ยน้อยมาก คือมีศีลในเส้นผมอ่ะนะถามว่าเส้นผมเนี่ยเกี่ยวข้องกับศีลอย่างไงผมเนี่ยเป็นเหตุให้มุสาวาทได้ไหมได้เนี่ยนะหรือปาติโมคสังวณนะถ้าเป็นพระพิสูจเนี่ยจับเส้นผมผู้หญิงเนี่ยเป็นสังคาธทิเศษนี่นะสมมติจับมือก็ตามจับช่องผมก็ตามว่าจับเนี่ยเส้นผมเนี่ยที่ยังยังติดอยู่กับร่างกายอ่ะนะไม่ใช่ผมที่ร่วงมาแล้วแต่หมายถึงผมที่อยู่กับร่างกายเนี่ย ถ้าตัดมีเจตนาจับด้วยฉันธราคะเนี่ยนะเป็นอบัติสังฆาทิเศตน้องๆประราชิกหน่อยเ น, น, นะนะท่านก็เพราะทั่วไปก็ไม่มีศีลอันนั้นนะเพราะเพราะใครจะคิดว่าเอออันนี้ก็เป็นศีลเหมือนกันหนึ่งนะหรือวจีทุจริตก็จะมีที่ไหนก็อาศัยเส้นผมใช่ไหมถ้าจะพูดเท็จก็พูดเท็จเรื่องเส้นผมถ้าจะด่านะก็อาศัย เส้นผมเนี่ยเป็นคําด่าได้อันนะก็ล้อเรียนกันในเรื่องเส้นผมเป็นต้ น, นนะหรืออีกในหนึ่งก็คือพูดเพอเจอทั้งหลายเนี่ยนะเดรชานกระถาทั้งหลายก็อาศัยผมอีกนั่นแหละท่าะะ น, นก็เรียกว่าไม่มีปาติโมขสังวรนทั้งสองไม่มีอินทรีย์สังวอนในผมก็คือก็เข้าไปถือผมโดยนิมิตและอนุพยัญชนะเนี่ยนะถือโดยนิมิตก็คือ นิมิตนิมิตก็แบ่งออกเป็นสองใช่ปฏิฆานิมิตกับโสภานิมิตใครที่มีผมไม่งามะนะพวกนั้นก็ถือโดยโดยบาง่วนก็จะถือโดยปฏิฆานิมิตก็ก็โกรธใช่ไหมเหม็นผมของเราทำไมมันขาวเร็วจังอย่างเงี้ยนะคนอื่นก็ยังดกเหมือนเดิมหมดเลยอย่างเงี้ยนะ ผมเราทำไมมันร่วงไปตั้งเยอะเลยพวกนี้ก็ถ้าคิดแบบนี้ก็เป็นปฏิฆานิมิตถ้าคิดว่าผมเรางามก็เป็นสุภานิมิตกันถ้าในขณะนั้นถือว่าไม่มีอินทรีย์สังวรเลยเพราะอภิชากับโทมนัตเกิดขึ้นคือแทนที่จะไปปรารบว่าเออผมเนี่ยเป็นรูปเหล่านี้นะเป็นผลของบุญนะเนี่ยนะก็มีสัตว์ตั้งหลายพภูมิที่ไม่ได้มีผมแบบนี้ก็มีเนี่ยนะ แล้วก็ไม่ได้เอากรรมมศกตามามาเจริญมาพิจารณาแล้วก็ไม่ได้พิจารณาโดยความเป็นของปฏิกูลเป็นต้นไปเลยเนี่ยนะมันพวกนั้นก็ถือว่าไม่มีอินทรีย์สังวรส่วนไม่มีวิทยะสังวรก็คือถ้าอากุศลวิตกเกิดขึ้นในสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ภาคเพียรที่จะละอกุศลวิตกในวัตถุทั้งหลายเหล่านี้นะอันนี้ยกมาพอเป็นตัวอย่างนะ ส่วนตะหานะสังวรคือไม่ได้เจริญศีลสมถะวิปัสนาในวัตถุทั้งหลายเหล่านี้เลยเห็นไหมคือที่ว่าไม่ได้เจริญศีลก็อย่างที่กล่าวไปไม่ได้เจริญสมถะคือไม่ได้เอามาเจริญโดยความเป็นหนึ่งนะโดยความเป็นของปฏิกูลใช่ไหมผมนี่ปฏิกูลโดยสีโดยกลิ่นโดยสัมผัสโดยโอกาสโดยประชดนี่ไนงะหรือไม่ได้เอาผมมาพิจารณาโดยความเป็นธาตุอันนะั้ย่าอะไรนะคุณนภา ที่มันขึ้นบนจอมปลวกยาดกุศะใช่ไหมมันขึ้นบนจอมปลวกมันก็ไม่รู้ว่ามันขึ้นบนจอมปลวกจอมปลวกก็ไม่รู้ว่าย่านี่งอกขึ้นบนมันเนี่ยนะต่างฝ่ายต่างไม่รู้ฉันใดผมก็ขึ้นบนหนังศีรษะมันก็ไม่รู้ว่ามันขึ้นบนหนังศีรษะหนังศีรษะก็ไม่รู้ว่าผมนี่ขึ้นบนต่างฝ่ายต่างไม่มีเจตนาต่างเป็นอัพยากตะต่างเป็นนิสตตะนิชีวะสุญญะสภาวะเนี่ยนะก็เข้าไปไข้ครวนอย่างนั้นเรื่อยไล่ไปเรื่อยๆยนะเมื่อก่อนผู้การก็ถามว่า อ้าวแล้วมันจะเป็นปฏิกูลได้ยังไงคิดอย่างนี้อ่ะนะตอนพิจารณาผมนี่ก็เริ่มปฏิกูลชัดใช่ไหมเพราะที่โคนผมเนี่ยสะอาดหรือไม่สะอาดอะนะก็ก็มันก็จะเห็นความเป็นปฏิกูลทีนี้ถ้าจะไล่ไปลึกมากขึ้นนะเช่นถ้าถ้าค่อยๆลอกไปนะหนังที่มันหุ้มกะโหลกศีรษะมันก็ไม่รู้ว่ามันหุ้มกะโหลกศีรษะกะโหลกศีรษะก็ไม่รู้ว่าหนังเนี่ยหุ้มอ่ะนะก็ชักปฏิกูลมากขึ้นนะถ้าพิจารณาจริงอะนะ ตัวกระโหลกศีรษะมันหุ้มสมองมันก็ไม่รู้ว่ามันหุ้มสมองสมองก็ไม่รู้ว่ากระโหลกศีรษะมันหุ้มอยู่อันนี้ก็เริ่มปฏิกูลเลยนะถ้า <commencer> ไล่ไปอย่างนี้นะอาหารใหม่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ในกระเพาะกระเพาะก็ไม่รู้ว่าอาหารใหม่นี่อยู่ข้างในนะแล้วอุจจาระปัสสาวะไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ปฏิกูลให้รู้ไปเ <c> น <oughs> ี่ยนะอันนั้นเข้าไปลึกๆขึ้นไม่ปฏิกูลให้รู้ไปน네ะ แ, แต่บอกว่ายังไม่ปฏิกูลก็เท่ากับบอกอะไรอย่างหนึ่งนู่น บอกว่าไม่ได้เจริญอ า, า, รมมารรไรท่า น, น, <c oughs> นก็เลยไม่มีเรียกว่าวิขพนะวินัยเนี่ยนะก็ไม่มีวิขำพนะประหารหรือไม่มีการเจริญอนุปัสนาตามเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นที่เป็นตะทางข่าประหารนั่นนะจนถึงละฉันทราคะในวัตถุทั้งหลายเหล่านี้ได้เด็ดขาดเรียกว่า สมุตเชธประหารว่าโดยสรุปคือปู่ตุชนเนี่ยไม่มีคุณธรรมอย่างที่กล่าวมาอย่างนี่แลที่เหลือก็จะตามด้วยเรื่องของทิฏฐิที่จะกล่าวต่อไป อ, นนอันนี้เพื่อประกาศก่อนว่าที่เขาเกิดมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไร